สาวบรก็ร็ดรเ้าพอที่รจากห่คือว่าลูกสาวของพ่ออียาอรที่มาตอนเชนเองจะได้นหลับเอะรับล้างนอนิสมาธสบายปรากฏว่ามี่ตายดูรักนะเน่ฮะ เไ่าไปไปอยู่แกพ่อเใาีเดีอลูกมีความรวมทเลาสองฝัิาปเดี๋ยวแกมาอีกแล้าิดาไม่แกจะมาเยอก็มาอีกแลอนั้นนะใจเลยว่า้ขอไปเออดีมากดีมากแต่ที่เร่ เออกระห้องลงพ่อยังเข้าได้แม่ยังเข้าได้ก็ผีเดินไปเทวดาเทวดาคนนั้นเป็นลุงทํามาเป็นเพื่อนไปขับลุงขึ้นได้ดีรัลโหล อ่งนี้นะลงนะเออาวไปดูเลยขอให้มาใหม่นะเอออย่างนั้นดีกว่าไอ้คนลุ้งเดือดขาวันนี้ก็ตั้งเลยน้อยเต็มทีสองตัวสตัวไม่ว่าใช่จ้าเออดีนะคือก็มาทดลองสาธสาเพีย เราก็เอกลักษณจากหลวงพ่อในสถานที่นั่งสมาธิติดต่อทางองค์อ๋อทางองค์อันองค์นี้ตายไปแล้วอาจารย์ตายไปหลายปีแล้วในสถานที่ติดต่อกันมาผลว่าอันองผมมมามนเวียนจิตซึ่งผมเนี่ยโอยอ้ของก็อยากให้เกิดรถยนต์แต่ยังเกิดไม่ได้ไอ้ปอบก็ยังไม่ยอมขา ให้สร้างพุทธะรูปให้สักตึกองค์แล้วจักแกลก็จะได้มีโอกาสใหลรูไปเกิดทีนี้รูปก็ประหนึ่งใสว่าการสร้างพุทุะรูปนี้นะควรจะสร้างสักขนาดสักขนาดไหนหรือว่าจะเท่าเป็นวัดสังกาหถวายแทนการสร้างการหล่อจะได้หรือไม่เออเออสร้างให้โตเลยนะตักขนาดใหญักขััหน้าตักกย่สิบบาก็พอ ใช้ได้แบบนั้นก็ได้ใช้ได้เขาได้เยอะครับได้ทั้งพระได้ทั้งข้าได้ทั้งอาหารได้ทั้งน้ำไอ้ที่เกิดจะไปเกิดแต่คนที่ไม่จะไปเกิดอีนคนนั้นไปเกิดไปเจาอันเนี้ยนะจ๊ะแสดงว่าผ่มีปัญญาเขามีบุญอยู่แต่แตาว่าบุญจะน้อยสุดไป ไปไม่ขึ้นเวลานี้เขาเป็นภูมิเทวดาอยากยึดอระกาศเทวดาเรียกวาจะเลือดฐานะใช่ใช่ใช่โองไม่ตลาดนะข้า็ยังเลื่อย่งมาไปไม่ได้เลื่อยส่งมาข้าวมอไม่นี่หลวงพ่อจะหาหาลูกไม่อยากจะพูดเลยนะอะเขียนชื่มาอย่าพูดอย่าพูดเขียนชียอมา แต่ตั้งแต่เอส่คุณพ่อมาดีอะไรอะไรก็ดีหมทุกอย่างเหลืออย่างเีเดียเเสียไปเทียวมาไม่เนีบนเนือมัสมัยกทรงเลยนะเสียไปเสียวมาทุกอย่างนมันดีหมดเลยแต่เรานอย่างเียเสียวไปเสียมาแต่มเดียวว่าสูงฝัางต่ำ้ั่อนี้ไม่สงสายไม่ผ่าแต่ที่จะสงสายถามก็คือว่าอย่างนี้ ไอ้ที่เขาปลูกเป็นโง่โงโง่่ะเาทบประเภทไหน่งก็ไม่เคยูกกับเขาอะแปลกเลยค้งโอ้ยไามที่ถามลูกญาตกว่าต้องทามุญเพื่อที่ไม่ตั้งใจไว้ก่อนไม่ตั้งใจไว้ก่อนยังเดเดินวันี้ถาวยเ็าะถ่ายไปหรวต้องไปเอ้าถววก็ว่านี่นะตัดินู่นั่นเลยใช ไปวัดมทยเป็นจังหวัดที่หนึ่งใช่เขาเป็นมหาชานม่ไเสียวลอกครึ่มโอไม่ตั้งใจบอกมันจใช่ใช่เป็นชานปัจจุบันทําด่วนไปวัดจะทำที่ไหนก็แล้วแต่พ่อผู้กผักเลยนะใช่ใช่ก้ยงหนพ่อผู้พัสวัสเอาไปจับเอารงแรงแขนได้เลย ใจดีขึ้ว่าแต่อะไรไะเสียธนราชาว์จะห้ามจ้ะโอ้นี่ธนราชาไทยหลับฐานย้าเจดีย์ตักเงิเลยนะใช่ช่เพราะฉะนั้นก็ไม่รับต้องรับเลยรับด้วยสบายนะไ้นอย่าดูรสนี้เดี๋ยวไปเดีมานะเดี๋ยวเริ่มทำทุกเรื่องแเลยก็พ่อเจ้าขาเออรน้องที่ตายไปแล้วมันเต่าไน เขาบอกว่าให้มาทำพาราทานที่ซอยสายลมเนี่ให้ด yeah. ีบรื yeah. ่องตลาดนะบอนให้ทำาราานที่ซอยสายลมให้ทําสราทานก็จะฟงเสริมตายเลยหลวงพ่อเป็นลมเสยปุ๋มเมื่อไหร่เนี่ผมจะเป็นบ้านข่างในลมเสยใช่ใช่ใหลวงพ่อเป็นลมเสยเลยโรคใจควาไปแล้วกขาตาปวดราแก่เาเข้าป่านต้องผัดจะได้ไม่อู้ปุ๋ แต่องบอกเลขให้ยแต่ใตอนนี้ก็เป e ็นใจรลวข้อและอุปรลยก่อนแต่ที่จะรียนามก็คือว่าลูกผวาไหวนธกานเพียงแค่สุดละส้อบาทเ่นั้นอำไมน่อยแรจึงเป็นเดชให้น้องทายเป็นเทวดาและสามารถมีอะไรแป็นแมาบอกได้หรือเปาบาทเียวยังได้เลยพระทานเป็นมหาวุฒิชนไางพระเจ้าหลายครั้งสุดธวิถน้ชายบาครั้งไม่ได้ ใช่ใช่ใช่พระเจ้าพูดเองนะบ่าบ่าบ่าแขนบนตลาดน้อผ้แต่ยู้ร้อยบาทก็ไปโลดเลยนะเป็นร้บาทตรงมีพระพุรูปพระสุริยกายสวางสองมผ้าอีเรื่องแต่กายเป็นิแต่มีอารีร่าายเป็ิเห็นไหมล อนนี้ตอนลบก็ลบถวายแค่ร้บาทไ่ได้เขาเลือกเลยจั่งร้อยบาทก็ไปที่บุตรถวายทิศเดียวข้าวหน่งหยิบมือใส่ใส่ใบไม้ส่งพระตับข้าวหนงหยิบมือถ้าถ้าวฟัคชืบอยางฟูกข้าวฟักชืบอยางฟูกอย่างฝืนน้หนึ่งรขอยบาทที่สดคนนี้แม่มารชาติแม่เป็นดางฟ้าโสุดก็น้ำสับปะรดในก็น้า มีเพรื่องแตกายก็พ่อหนังสือตั้งเครืงสื้อมีร่างกายเป็นที่พ่อหารถ้าแฝงกับเราผู้เจ้ากวนไม่ร้จะมีเรื่องสถทานจะ้แ่องกไ้เขาไม่จากัดของเพราะว่าจำกัดเขตของดีสมถทาเเศษใหญ่มันเรื่องรเ็เล็กๆคาก็แพง เจเงานะเนี่ยูจะนักกลุ่นนาบ้างาว่านีต้องรักตั้งแต่สองค์คือไปจะเป็นสถานผมตามลันกพิโดแต่ว่าพอมาถึงสายลมละเอียดจะมีลูกพ่อเพียงไม่ทราบอว่าลูกจะเป็นสามสานหรือเปล่าะ้อสงสัยเหมือนกันไงเฉพาะคนมีถานไงคนอื่นเป็นคนไทานคนมีสงสัยสงสัยก็ต้อต้องรณาว่า ถ้าองค์เ <intent>? ดีย็ูแทนสงฆ์มีอะอยู่วัตถุแทนผู้แทนใช่ใชใช่ใช่ทีแสดงมันไม่อ่านนี่แม่ที่ครบที่เรารักทุกวันทุกวันเนี่ยดว่าเป็นตัวนเป็นตัวแทนงเอาเยไม่ได้โยโอหครับใช่เอาเวทีไม่ีไปนี้พ่อเลยตายต้องมหมดก็ไม่ดได้อะไรไม่ได้้ไม่ได้ง เมื่อยก็เหนื่อคนเดียวเวลาได้ผานได้ก็รับเอาร่วมกันที่ถ้าทานจิ้นมากก็โดยเราคนเดียจกินน้อยเลยครับผมเราว่าพอได้เลยนะหลวอพ่อก็รับในนาเป็นัวไทยของผมก็เป็นบัราภูมิใเที่ไจ้ลงมาหาบรปดาภก็ได้สองฝ่ายใชจ้อ่าวงพ่อเดี๋ยวหาลูกไฟท้อง กู <Net> สอนโนมาจิติพัดหนึ่งกับรูเต็มพัดหนึ่งขสอนการรูเต็มเพเก่งมากสามารถพูดถูกต้องทุกอย่างทุประการวันหนึ่งไปพบท่านพรสองในงานเรียงจากอำเภหรือไหนไาบระสองท่านต่างก็ใช้แม่ผมเป็นสรนาัศกษาไปปรับปรุกปรับแต่ทณะนั้นก็ต่อเรื่องในโลกวัตว่าสอต่อสอนแล้วมาถูกต้องด้วย ลูกผมไปว่าเคนที่สิ่งไม่ชบจากัานก่อละเมเขาจะสอนโนมาลิเได้อย่งไมันยัาคนี่ยเขากินด้านกมันสะอาดนะอันนี้จะรบออวาดอาดด้ะอาโอ้ด้านดมจากไนของอ่ะฮะใช่ใช่ใช่ใช่ถึงปาลาวนะก็ลมแปกอารมณ์ิดคนเราที่แ ไปกเล่ามัีไได้เรื่องเรื่องเรื่องชาร์โลตีมันเป็นไปได้แต่ว่าเวลาตายรุนระเริงนี่องมีหน้าเราที่บอกว่ตอนที่ผมพ่อไปเราไปเจอคาร์โลตีเิดได้ไหมครับเกิดได้เกิดง่ายโดเขาก็เสียมรักมากเกนไปรถเตียอดังนั้นเราก็ ไม่เอาดีกว่าขอเพิ่พาถึงถุงอนโทรทีไม่เอาล้เดียวเปล่นทางถุงระวังนะเป็นไงครับเขาเลยชันเปลือยเฮ้ยลูเลือยอะไรอ่างเี้ยอแล้วใช้หอเหรอออไปเจอเพื่อนอย่างนี้จะพาจดลอบไว้ไม่ทราบถูกเหตุการใดที่บอกว่าการใช้ไม่ขอออุกขาอุกงขังปัติดจิตตัง สามเตจสานี้ป่าเตจทตังทตังมันไม่ได้ิีดตังนะป้าเตจทีตงอะรทตังขาสงเนอื่นอปาเตที่ังโอ้สาม้าขปนอวที่ตายอ้แม่าสาโรคนะอามันลบอกไปถ้าขับถเือนนนไปยะขี่โดยรถีน้มัายะใช่คือว่าเอนนี้ขอไห้ไปต่อชักแค่วางตรงทากก็เพราะว่าที่หนองถังในการชัก ปะเดจกระเป๋าผี่ไปแล้วเอ้ยกูแล้วกูแล้วกูแล้วที่ได้ไม่รู้วาเขาทายไม่รู้เรื่องเลยจะพันทิ้งน้มิอะไราาก็ไม่ได้ถามไปไม่แค่แคแ่ไม่ว่าจะมีเรื่องมืเนี่ยพระเจ้าเป็นบางท้ามหาราชมีอของท่านทุกเื่งจะต้องมีเวลาที่จะถึงเลาคุมเรื่องขับขีเจะไทจะถึงเวลาจัดการทัที เขาตรงๆกงพี่ที่รุ่งามบางคนท่านไปนี่ก็มีโยนาอยู่ด้วยระวังนะบางทีโยนาแดนตัวมาอยู่ตัวธใหญ่คือแต่ที่นอกใจตัวธรรมใที่โบราณทีนมที่อะไรอะไรอจให้ได้ให้ได้เพยาะว่าท่านเป็นเพื่อนท่านจะมือแต่ถ้าดูที่เออ เรื่องมฆก่อขอเนีย่ยสกัยน้เรว่าได้ถามว่าต่อไปวิสาขบูชาพอวัาตะวีมีเ้วยกันตรื่อว่าอะไรมีดงานดะ้านงานตักงานนะประมาณสามพันเล่มแล้วมีมีดดั้มคือสีเหมือนเล่มขาธรรมพันะททนะแล้วก็สมเด็จโตประมาณสักสามเหมือนเล่มตอ่อยอ้อโต้ ถ้าผมเคยมีก็ต้องเยววันที่นึ่งนะต้อ่เล็กๆอ๋อสวยๆครับครับผว่าทักสามจากนี้จะได้จริงก็ต้องวันที่สี่แล้วถ้าอย่างนั้นั้แฟนรุ่นสามเจะมีตาสุกเต็มตอนนี้สวยแต่กลางวันเ็าบอกก็กระปิบบุกเต็มเพราะนั้นก็คอยสีทองอะไรกันแย่แหม คนเบอกว่าอยู่เมสสู่ใครเหมือยากจะจองจองอะไรกันนะได้จองได้แต่เราเวลาไปเอาตังค์ใหม่องายเลยะเออาาได้อยากได้ก็อย่าเืมไปนสาาุพานะเป็นขีอี่อแต่ลูกหลานเป็นตั้งขอยาได้เนาะายคุณไม่ีลงเ เป็นล้านคุยนั่งคุยสาว่าหลพ่อไปมหาเศทีรอไงตัี่าหาีโอ้ไม่ได้เขา่ต่อใช่ไม่จำโอ้าเป็ตัวเดียวจำไม่คบใจจะไม่มีเงินทุนรอกใช่ใช่ใ่าีกองก็อยากจะทเยอะๆแต่การินก็ตัดสิ้งใจว่าจะเป็นนี้แล้วสามล้านทาไม่เห็นนะ ถามแจ้าภาพว่แล้วเขาบอกตกลงตกลงผมก็ยินดีให้เป็นใช่ใช่โอ้โตดีนะเตยมพอไหม ต, าตาราบใดพ่อที่ว่ารถจับโถงเอ่ออะไรเนี่ยโอ้ลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าปกติที่ว่าท่า ต, า, าตรงเขาบรการสืมะโนมยิ้ทุกวันใช่ไหมเจ้าพระใช่ใช่ แล้วก็เวลาลูกจะเดินทางไปที่วัดพระสงจะต้องมีหลักการระเบียบการเตรียมตัวการจาดไรไปบ้างจาะจำดีนะหนึ่นนนงทีผ้าหนึ่งทีผ้าโน้ตเดี๋ยวจะแก้ผ้ามาทำไมจนะมีเครือร่องาสสามีจะต้องมปเคื่องห้กินเท่านั้น อะไรพอแล้วอ้อบัตรประชาชนให้บัตีจริงไม่ได้นะบัตีจริงเขาไมยอมขยอมแค่ข้างเหินเดียวผู้ขขที่ว่าการที่อนุญาตให้มาเยะมากเลยเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับแต่บางคนทราบปฏิบัติดีเขาให้เกินได้ต่ทุกคนแต่ว่าได้ข่าวว่าแย่วาัวใจวันแรกก็ทัเเเกเห็นหน้าเห็นหลังถ้าผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงวันแรกจะเห็นหน้าเห็นหลัง เแล้วมีพลังชาติเด็นมากคนไปวันแรกที่นิพพานเลยสว่างแจ๋วพลังนะครับลับใช่ไม่ใชกด้วยเองสว่างไปเรื่อยๆพลังวันแรกไปถึงญาณิพาตาปาไทยมือไหนไปยืดไปยา่าไปยืดไปจักเอาแล้วครับก็าบอวกว่าไม่มีอะไรมากมีบัตรผ่านบนไปนะและ้วก็มีเงินเนปเพื่ออาหาก็เป็นเอาใได้นะครับ หลอกไปอะไรมาลาเท้าหลวงพ่อที่กระลอกจากโถ ค, คือว่าเรื่องตั้งสามพระภูมเนี่ยลูกโชคดีแล้วเตินปลุกรอกไปหลายหลายแล้วหันขอหมอแรกมาให้หันหน้าไป่ทิ้นี้ขออีก่องมาบอกให้หันไม่ทิ้งดีขอที่สามาให้หันก็อีกทิ้กต้นไม่รู้ว่าทํายังไงดีหมดเงินไปหลายแล้วลูกเลยตัดหุ่นใจมาพึ่งบุญบารมีหลวงพอ่อ อเพื่อจะได้ตังแนะนำอย่างไรก็ตามลูกเพื่อลูกพ่อลูกอย่างทุกประการเลยจะต่าเท่าไหร่ก็ขอหลอกไปหลายหลายหมอแนี่ยก็เลยถามเราก็คืนหมอเ่ครับผมเนีมันมัที่เขาต้องหูอย่าตหมออ่าหมอที่ห้าก็ต้องหลอกเหมือนกันอ่าจะมาเพิ่มบารมีหลวงพ่ออะไรก็ค่อยๆก็ได้เราสีหมอเนี่ที่าที่หมอต้องหลอกเหมือนกันเอาหลอกหลอกเอาหลอกเป็นพอง สังพ th ิษต oh, th th ือนอเหนือสทงพตือออกสามพเหนือให้ได้ออกพษนะออิออกเหนือีออกเหนือใช่เออทีนี่เรื่อลกต้วังต้องาไปม็อยากจะเอาลว่เงพอาไปทิราาันเข้ปปกติไม่ไม่งตัวใช่ พี่ห้าบาทแทนนฮะรับจ้างหาช้นได้ดีนะโอ้าตั้งงินแล้วเลยนะใช่ไหมค่ะค่ะต้งมีตั้งแล้วตังต่อไปโอหค่ะค่ะเราเราตองรอฝ่ายญาตินะ่ายน่คาญาตไปได้เยอะเลยไอ้ที่เสียววเสียได้ไหแทนจะทักสารที่เสียม่ีากกว่าขนาดหัใจอะไหลวงพ่อจะถามเออวันนี้ดูหน่อทำบุญสมทาน เพื่อที่ส่วนกุศไให้แก่แสะดก้อยแก่นายวีรคมษ์สมบูพัสนสี่กนิภาสุขุสุตดีสมหวนคงขอบารมีหลวงพ่อขอพรให้สมบคุณขอพูกจรได้ลูกเริ่มด้วยเถิดเจ้าข้าสาธุขอจนเจริญเจริญมากแตงค้าบังนะขอทุกรักที่ให้ขอไม่ได้ไม่ได้ขอไม่ไดวท เดี๋วว่ามันจะแตาว่เป็นพ่อเป็นลูกใช่ใช่ใส่ใส่แล้วลูกอครับผมไม่โอกาสมาฝุกมักโนมัยทิพยแปลกธรรายได้ผลเป็นที่หนาพอใจพักเอ็นเย็ใส่ไอ้นั้นไม่ปลูกแต่เล่าให้ฟังนิดเดียวที่จะคุยน่อลงร่อฟังก็คือว่าผมทำบุญกัหลวงพ่อผมได้สละ หาราบัางข้าวไม่ร็จโลว่าหาลากไม่ใช่หาลาบรดิอย า, าจะแท้อยากะอายุหมาคนนี้ต้องใสรยังไงมัดหาลาบเป็น่หาลาบาหาลวงพ่อครับผมไม่ใช่จกักมึงเลยครับของขั้ิติจๆกันเลยผูกมาโดยตลอดผมเลยสัาเรื่องใสยหลวงพ่อและเรื่องส่งาวมหาลาบเป็นอย่างมาก วันนี้ผมเลนมาถวายสังฆทานองเล็กสิบบาทรู้หากนังตายมันจะทำเท่าไหร่ไปไช่เสิบบาทไ่สิบบาเอันติดอันสิดอันติดเดินแล้วก็ทำสิบบาทผมขอทิ่ส่วนบุญส่วน็สมก้อนี้ให้แกพระมหาลาภค้ำข้าวขอพระมหาค้ำลาภค้ำข้าวตงโมธนาเนี่ยเพื่ต่างชาตเยอะแกัน เอ๊ะปะรักเรื่องนโบรานได้เนี่ยต้องใชเงี้ยเน่พี่าเราไม่ปูกหนยลาดประลดจ้าจ้าจ้าเอาล้วจะดีนะจริงๆวันน้าโทรใ้ตัวหลวสลวงสวาสหลวงพ่อพ้นระบาศป่านะเอาละขอสาราถเลยเอออะไรละขอน้ํงปันชาตรีใช้ยอดตาได้รือไม่ได้ หยตามได้หยายไได้มัหาอรักโวยยังลงตีนยหยียบตาไม่ได้หียบายก็ได้เหยียตาถ้าเหยีตาจะแสบต่อยนะแต่ว่าเป็นต้อนเมื่อจะลอกเลยต้อนเมื้อเียนะลอกเลยหายทีเดียว ยัี่เแสดงว่าแม่โใดๆก็ตามหาว่าหายแล้วก็ไม่ร้อนหายก็มีเทศแล้ว่าทาไมร้อนใหายยังที่เขแสดงว่าพระพันารที่เป็นแรอบตะวันเลยนะใช่เออพวกเรื่งนี้ก็ประหลาดที่ว่าอีกคำาเล่าใหฟังนะไอ้จงมณฑปสาวี่เล่าได้างนีได้จงมณฑปสาวรอบมาหลายเท่าแล้วคือหลายปีไม่สำเร็ ทานตะวนโน้นตาตีพระพ่อท่าแท่เล่นไปทีไม่ต้องเต็รที่ตาเราเจ็บมันหนัใจลนี้นักใจก็ต้องหลบสนักหน่นนะระวังนะระวังนะตากระเด้งจะดีใช่ไหมครับโอ้โหใช้สารพัดจริงจริงเลยนะแผที่ร้ายนะกำลังแผลอยู่แล้วโอหโอ้โห อยากพิจารอะไรอย่าได้ครับอ๋อเดี๋ยวๆมีสมบัเรื่องไหนคือว่าแกไปอาธมปซื้ามันงามาเพื่อจะเอาผสมแต่ปรากฏว่าไอ้วด้านมันมีมาหัปวดธามานงาผสเข้าไปด้วยไม่ว่าผลจะลดไปพิ่หรือกล่าก็ไม่เป็นไรพรไรคนไดนะนอนลางก็ได้น้าก็ได้เป็นธรตได้อะไรก็ได ไอ้ผอ้ผไม่ลดคนผ้าพมไม่ลดต่าพ่อครับห้าบ้านแกไม่ค่อยมีโอกาสทาบุญทากุศลแต่ก็มีความดีอย่างหนึ่งคือว่ามาตันอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องคือว่าคนภายในบ้านไม่ค่อยมีความสุขทุกคนที่ลกของใครคือว่าวันหนึ่งแกพูดว่าเองไม่ทำบุญที่ไหนบอว่าไปทาบุญที่ซอยสายลง ถามว่าหล่อเขาบอกได้ไงขอกได้ถ้าไปคขาฟานมึงทำบุญแลไปเิาไ้ฟานมันก็เลยบอกว่าด้วยเดชบุญบุญส่วนที่ลูกไครกระตันยูกระตเวทีเลียนก่อหรือแม่นี้ขอปฏิภานด้วยขอปฏิภานด้วยอย่างนี้จะมีโอกาสไปได้หรือเปล่าเพราะเรื่อเคยมาทําุญหลพ่อเลยสงสัยฮไม่เมาแต่ก็เคยมีความจงรุ่งเรืองที่ที่สวรรได้นะใช่ใช่ใช่ใหญ่ใหญ่ว่าอย่านี มาตาเบตุเงินแคบตุ้งเไมถ้ามีความระดมอดูรลูกคุณกูยามันดาเยี่ยามันดาเป็นสุตรจนิงจริงเรื่องนี้าต้องไปไ้ใช่ใช่ใชสต้องราเลยนะแต่เราไม่แหมาทำไม่ได้ฝากมาก็รับได้รัได้รับได้นิดหนึ่งพระเจ้าบริสออกมา อ๋อนี oh ่ไม่เป็นไรนะเป็รมะเงนะโอ้เป็นโรคมะเร็งอันนีไม่ตตใช้น้ำมทาสไปเลยอ่าเดี๋ยวถ้าจะรับประทานน้ำมันทาสเรียนถามงอว่าสักรััประมาณเท่าทไร่ัถ้าเรืงมะเรงเนี่ยเจ้นไทยัสสิสใช่กระน้นควรกนนควรใช่ ถ้าต่อไปเราเข้าตาเดียวนะถ้าเกิดดูตาในโลกเรืนี้กถ่ายอะไรก็ถ่ายถ้าถ่ายจะมีหวังหายลูจะมีโอกาสเข้าไปที่หลวงพ่อไปเท่ากันขอ ลูกเอ็เป็นพลอยเป็นลูกของหลวงพ่อมาแต่หลวงพ่อเป็นหลวงพ่อได้จับแขนของลูกอกกอกไปหลดจากวิหารแค้วร้อยเมตรพาไปตรงลงที่ลิมผ้านน้ำยาลาลับเตาอันนั้นทำให้ลูกมีความรึกใจเป็นอย่างมากแต่ที่ลูกอากจะเหลืนถามก็คือว่าลูกควรจะปฏิบัติคุณธรรมแบบไหนประาาการใดเพื่อ รอว่าเป็นลูกของหลงพ่อของผู้แปกมือยังนิดนึงออกพิโสตั้งนาดีเลยนะในมีความกันอยู่ตุิยาบรรดาเลี้ยงขท่าในกิจศุกร์สองครบรุษเจ้าประธานพระอริยสงฆ์สามียามร่าสามขห้ากิจศุที่ตั้งใจตุธิพาน ขั้นอนี้คือจะเรียกความเป็นลูกของหลวงพ่อตัละตวเโผพวก็นด้วอ้โอ้ปนนี่ี่ไม่ใช่ยออยานี้หลักหลักของโผตาบันไม่ใช่่ดีเละใครจะเป็นลูกลงพ่อที่แท้จริงก็ต้องเป็นโซดาบันโอโหนี้คนที่จังไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นลูกหลวงพ่อเลยเป็เป็นขั้นโซดา เอาโอยไปงดีนะเห็นเราส่งเรอเาได้เรา่องตางับลูกเป็นข้อต้อักษาเราต้งรักษาปัจจัยมดไปได้ขอคิดขึ้นาทีาีมขอแล้วขอไล้หายใจรึ้งนาทีเข้าสมบัติข้อไม่เป็แล้วแต่ไม่อยากาเลยาทรื่องเ ก็นาว่าพระสิงห์พระเป็นแผ่นดินเขาัตถะก็ดีเลยโดงนี้ควแห้งควาแห้งอแห้งคแห้งถ้เราเอาอากาศที่สะอดเพียงเล็เดียวว่าถ้าราทอดเอาหลายที่เรจิตตาของเราที่มาจากเราโโกรเรสพปร์มาสมเชื่อสาประดเจริญสาคเป็นจริงความจริอไม่ได้ถึงมนราต้อลกไเราต้องมีตั่กอ โลโลพนาใจลรัตนารองค์ระเดมที่ประมาทพระพุทจารัุงคัพระเจ้าพรุเจ้าพมะพทองคระามราเยศของ้ลายทรงเทวดาสนบูรณีาวมันาคุณวาจารคินิจิตตลอดทัขอให้โปรดกระาะงกราะข้าองให้มีพารามัยแก่แรงในสมบูรณ์มีความร่วมรกอสาการอยานที่จะช่วยเหลือประเทศไทย เราพุทธศาสนาและบิัาาสระานาีนะโมโตโตมสัมะนะโมโตโตมสัม